ออกหนีน้อมเข้ามาเขามาดูมันเอหิปจิโกเรียกเข้ามาเรียกจิตของเราเขามาดูลูสิ่งที่เราน้อมเข้ามา <c oughs> เราให้คิดคิดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเท่าน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 ลองลองดูสิคือนอมออกไปไปในน้อมกลับมาพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าให้รู้ฉลาดในการรักาษาจิตของเราให้รู้จิตของเราจะก็ให้ฉลาดในการรักาษาจิตของเรา ฉลาดในการสอนจิตของเรายกอุบายขึ้นให้จิตของเรามีความรู้มีความฉลาดเช่นมันเกิดราคะขึ้นมาความกำนัดเกิดขึ้นมาแล้วจะทำอะไรเราก็พิจารณามันน้อมกับมาณมันเป็นอะไรเพราะอะไรมันคืออะไรความกำนัดนั้นคืออะไรทำไม่กึงกำนัดอย่างนั้น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 ไอ้จิตที่เราไม่ชอบสิ่งทั้งหลายเรานั่นอันนั้นมันไม่ดีไอ้พวกเราทั้งหลายนั้นก็วิ่งตามอารมณ์ไม่รู้จิตของเราให้มันแน่นอนความอยากนั้นมันทำให้รักก็ได้ทำให้เกลียดก็ได้ทำให้สุขก็ได้ทำให้รักก็ได้ แต่ว่ามันทำให้สงบไม่ได้อย่างลูกนิมิตที่แฝนอยู่เนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยก่อนลูกนิมิตก่อนเนี้มันก็อยู่เท่านี้อย่างนี้บางคนมาเห็นจะเข้าใจว่ามันโตไป บางคนเขเข้าขใจว่ามันพอดีบางคนก็เข้าขใจว่ามันเล็กนี่คือความเห็นนะคือความเห็นเนี่ยเพราะความอยากจึงทำให้ลูกนีมิตรลูกนี้แปรไปตามสภาพของมันแปรไปตามสภาพสภาพของตัณหา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 โดยสภาพความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นตัณหาเขามาผลแล้วมันจะมาปรุงมาแต่งลูกนิมิตอันนี้ให้โตขึ้นให้เล็กตก็ได้ mm hmm. เมื่อปรุงให้มันโตขึ้นมันก็เห็นลูกนิมิตนี่ว่ามันเล็ก mm hmm. เมื่อมันเห็นลูกนิมิตบ่ามันเล็ก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 แต่ลูกนิมิตลูกนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยมันไม่โตไม่เล็กหรอกเออไอคนที่เขาไปสําคัญมันหมายว่าอยากจะได้รูปให้มันโตกว่านี้มันก็เล็กบางคนอยากใจรูกนิมิตนี่เล็กกว่านี้ดูนิมิตดูนี้มันก็โตเท่านั้นแหละเ อ, อเท่านั้นเองนี่ตัณหานี่เดี๋ยวไ อ, ไอ อวิชชาควาไม่รู้จักตัญหาความอยากสังขารความปรุงแต่งมันกปรุงของมันเรื่อยไปอย่างเนี้ยมันปรุงมันแต่งขึ้นแต่สภาพหรือสภาวะดูดนิตดูดนี้มันกว่าเท่านี้อยากใจมันโตกว่านี้มันกว่าเท่านี้อยากใจมันเล็กกว่านี้มันก็เท่านี้ มันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่วิ่งตามใครถ้าลูกนี้เม็ดลูกนี้มันไม่วิ่งเราก็วิ่งเราเองวิ่งไปหาลูกให้มันโตก็นี้มาออหคือจะมาทําลูกนี่้มันเล็กลงมันก็เกิดความลำบากกันอีกและ้าเราดูอย่างนี้กับมันกันารดูอย่างนี้กับมันกันสัมผัส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 มันต่างคนต่างทําตามหน้าที่ของใครของมันตอนนั้นเนี่ยรู้ไหมนะตาหูจมู ก, กลิ้นกายกายมันรับสัมผัสอย่างเดียวอืเสียงมันกระทบเข้าในหูไม่ใช่มันเป็นเสียงไทยไอ้ไกายมันเรื่องกระทบเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกาย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 เห็นอารมณ์ชัดจนมีรูปเรียบขึ้นมาเหมือนใยผ้ า, ากับรังมแมลงมุ ม, มแมลงมุมมันจะไปทํารังน่ะมันจะขยายใหญ่มันออกไปทางโน้นทางนี้ทางโน้นทางนี้เรียบตัวตัวมันเองนะมันจะมาจับอยู่ที่กลางรังมันน่ะมันจะเฉย<ป>นี่ เงียบเก็บตัวเงียบไม่ดุกด็กไงถ้าเราไปดูคล้ายๆมันเป็นไอ้มเมล็ดอันใดอันหนึ่งทีมันทิ้งอยู่นั้นน่ยแต่เป็นตัวแมลงมุมแต่มันเจ็บตัวมันเงียบเมื่อไอ้มแมลงพึ่งหรือมแมลงวนันบินเข้ามาติดหลังปุ๊บพอสัมผัสพพปุ๊บมันกูวิ่งชาดไปจับไงจับมแมลงไว้หันหันหันเอาทิ้ง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 เพื่อเป็นอาหารของมันมเมื่อคราวที่มันต้องการมันก็ไปจับแมงมันเป็นอาหารของมันมแมลงจะมนติดอยู่นั่นเราไปนั่งอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งจิตของเจ้าของแล้วจะเกิดความรู้สึกาตาโหจะมูฟีนกายเหมือนรังมแมลงมุมจิตเหมือนตัวมแมลงมุม แน่นอนไม่ได้สงสัยเลยอันนี้มันอยู่ในตำรามีไมห่เนาะนีะ่เนาะนะอีกมาหลายปีหลายเดือนมาไปอ่านดูมันเออมันเห็นอยู่ในวิสุทธิมรรคไงเปรียบเหมือนมแมลงมุมอ่ะไอท้ทางทางวิสุทิมรรคเน่ยเราไม่เคยได้อ่านเลยไม่เคยได้รู้เลยไม่เคยได้เห็นเลยแต่ว่าเห็นลักษณะอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นอื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 เปรียบคนหนึ่งว่าอย่างคนมีความดีคนหนึ่งมีความดีแต่ไม่มีความรู้คนหนึ่งมีความรู้แต่ไม่มีความดีนี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยไอคนมีความรู้รู้รไปเถอะไม่รู้เรื่องไม่รู้จะผิดจะถูกอ่ะเนี่ยคือคนไม่ดีอ่ะไอคนนี่มันดีมันระวังของมัน มันในรู้เรื่องอะไรมันเป็นอะไรมากมายกว่าช่างมันเถอะช่าเห็นว่าไอ้ของนี่หยิบขึ้นมาแต่มันหนักแถวนี้ก็พอแล้วนับแล้พอวางเดี๋ย ว, อ, ว, ยวอันนั้นอันนั้นเป็นของของคนอื่นเขาอย่าไปเอาของเขาเลยเป็นของเขาคนนั่นนึกแค่นี้ก็กลัวแล้วไม่ต้องไปเปิดดูในตำราเห็นอย่างนั้นจริงกลัวแล้วนี่คือคนดี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 แต่ไม่รู้ไม่ได้เรียนไอคนที่เรียนนั่นรู้แต่ว่าไม่ดีรู้ว่ารู้จักว่าของเขาอยู่แต่ว่าเอาทนไม่ไหวอยากได้มันนี่รู้มันผิดรู้รู้ว่าของคนอื่นเขาห่วงไม่รู้รู้ว่าทาอย่างนั้นมันผิดไม่รู้แต่เอานี่คือคนรู้ไม่ดีมีแต่รู้อย่างเดียวเนี่ย มันสู้คนดีไม่ได้ทายทายมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วต้องมีความรู้แด็กก็มีความดีประกอบกับกนทั้งสองอย่างนี้อันนี้เลิศเป็นทางที่เลิศเป็นทางที่ประเสริฐฉะนั้นเราที่เรามาปฏิบัติกันอยู่เนี้ยทุกวันเนี้ยทางพระทางเนีนเนี่ยจะหมายเอาอะไรจะทำอะไร ต้องการอะไรไหมหรืออะไรยังไงหรือเรามีความมุ่ ง, งหมายอะไรทุราหน้าที่ของเราเป็นคืออะไรนี่คือคนไม่ค่อยรู้จักปฏิบัติคนนั่งให้มันอยากใ้มันสงบสงบแล้วก็รู้ไปเห็นโน่นเห็นนี่เราชอบใจวิ่งไปตามมัน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 อย่างนั้นเราจึงเพ่งอยู่ที่จิตรู้ที่จิตอย่างเดียวเท่า น, นั้นเนี่ยอมีสติระลึกได้อยู่สัมปชัญญะรู้อยู่อืปัญญารอบรู้อยู่ในที่นั้นมันก็เกิดความสังวรเกิดความสังรวมขึ้นมาในที่นั้น ถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาสตาหูจมูกิีนกายมันกระทบมาแล้วเป็นความสุขก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีเป็นความดีใจก็ดีเป็นความเสียใจก็ดีเนะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วอถ้ารู้อย่างนี้ถ้ามีความรักมันก็ออาไปยึดรู้ยึดถ้ามีความเกลียดมันก็ไปรู้แล้วไปยึด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 ท่านก็เห็นประโยชน์ในสิ่งที่านละอันนั้นมากที่สุดเมื่อกระทบถูกต้องเมื่อไรท่านก็มีสังบอนสังรวมอยู่นั้นรู้แล้วก็ปล่อยวางพอมันรู้สึกมันกงวางมันวางมันก็ปล่อยอรู้แล้วก็ปล่อยดูแล้วก็วางไม่ยึดไม่รู้เป็นอุปท า, านความยึดมัน่นถือมัน่นว่าอันนี้เราอันนั้นของเรา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 วิ่งอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแหละเมื่อไรมันจะหยุดล่ะก็มันไม่เห็นอย่างเนี้ยเมื่อมันไม่หยุดมันจะสงบไหมมันก็ไม่สงบเท่านั้นมันก็เป็นวัฏตะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไปเท่านั้นเนี่มปนตัววัตะมันเป็นอย่างนี้ตัววัฏะมันเป็นอย่างนี้ก็เรามาเห็นโทษไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นโทษในการกระทําเช่นนั้น ไม่เห็นประโยชน์ในการทําทั้งหลายเหล่านั้นสําเร็จแล้วอย่างนี้ฉันนั่นไมตรงมากถ้านี่ว่าอาการสังวรหรือสังรวมเนี่ยไม่ตม้องว่ามันเป็นอะไรล่ะอืให้รู้เนี่ยมันรู้แล้วมันปล่อยมันรู้ที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วให้ปล่อยรู้แล้วให้วางทําไมถึงปล่อยถึงวางมันมันจะกัดเอา ไปตะคุบมันกัดสิลองลองดูสิเอาดีเห็นผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งไปไปรักมันสิเลี้ยมเยอะมากวนเราบ่อยๆเยมากัดเราไปจับมันสิเดียวคนนั้นมันไม่ชอบใจหน้าดังเกลียดมันไปเกลียดมันสิมันจะกัดเรานั่นมันเกิดทุกข์ขึ้นมาทีเดียวเลย พระพุทธเจ้าจะจึงปล่อยให้ตามกระแสมันกระแสเพราะมันเป็นอย่างนั้นกระแสโลกมันไหลอยู่อย่างนั้นหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นถ้าเรามารู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงจะปล่อยมันได้ ม, มันหมุนมันเวียนเพราะมันอยู่อย่างนั้นตามกระแสอันนั้นถ้าเราไปขวางมันสิทำไมท่านจึงให้สังวรสังรวมเพราะท่านอยากใจเห็นอย่างนี้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้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 ไม่ใช่อื่นไกลเลยทีนี้อย่างเราเห็นลูกนีเม็ดลูกนี่ไม่อยากจะให้มันโตกว่าเนี้อยากไม่อยู่เดียกวกค่ทุกข์เท่นั้นลยหรืออยากจะให้มันเล็กกว่านี้เดียวมาเห็นว่นอะไรก็เป็นทุกข์ที่นั่นมันเล็กอยากจะให้มันเล็กโตไปอย่างนี้ อ, อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าปัญญารู้เท่าตามสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไร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 มันเป็นนักหยิบมันออกไปจะปล่อยอย่าไปยึดอะไรทั้งนั้นให้รู้มันจะปล่อยไปเดินเรื่อยเออความรักมาัน ก, ก็ปล่อยมันไปความเกลียดมัน ก, ก็ปล่อยมันไปสัจอยากมาเราก็ปล่อยมันไปสารละเอียดก็ปลอ่ปลอยมันไปด้วยทั้นั้นแหละแล้วจะเก็บไปถึงขนาดไหนจบทางเมื่ อ, อไหร่ยังไม่จบแล้วก็เก็บมันไปอยู่เรื่อยนี่ลักษณะปฏิบัติอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ ไอ้นคนที่รู้จักว่าไอ้ก้อนดินก้อนหินเกิดขึ้นมามันขวางทางเราเน่ยคือจิตไอ้ก้อนอินก้อนหินมันคืออารมณ์นี่ถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งเดินไปตามทางรู้จักว่าอะไรมันขวางทางเราเช่นี้เป็นต้นเราก็ต้องพยายามทําทางเราให้มันเตียนให้มันสะอาดแจะพยายามขวาดหรือเช็ดหรือเก็บก้อนหินก้อนไม้นั่นออกไปไเรื่อยๆไปด้วยความพยายามของเรา ให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติมันเป็นไม่ต้องว่าหาใจมันมีฤทธิ์มีเดชใหญ่เป็นพระอรหันต์ยากใหญ่มันเป็นอย่างใหญ่ไม่ต้องโฆษณาอะไรเราให้มันโฆษณาในใจของมันเองให้จิตมันพูดจิตที่พูดมากยิ่งดีแต่มีสติควบคุมมัน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 ท่านพระคุณท่านจะนิมนต์ไปไหนครับหยุดมองลงดูจิตของเจ้าของก่อนในสักพักหนึ่งไปจังหวะเด็กก็พูดโยมอตาตมาจะไปที่โน้นด้วยมีสติอพออท่านจะถามว่าเขาจะถามว่าท่านจะไปธุระอะไรอตาตมามีธุระเล็กๆน้อยๆอยู่เนี่ย เมื่ อ, อไรท่านจะกลับยังไม่รู้จักเมื่อควรจะกลับเมื่ อ, อไรก็จะกลับเมื่อ น, นั้นพูดด้วยความมีสติําปะชัญญาพูดแล้วกัยังเป็นสมาธิพูดเดียวกัยังมั่นคงพูดแล้ว ก, กับกนนำหนดคําพูดเราได้ที่กําหนดคําพูดเราไม่ได้บางทีเทศไปซะบางทีพูดจนเหลือเกินจนเหลือไอความที่เราเห็นนั่นแหะ โดยมากมันชอบเป็นอย่างนั้นลองลองดูทีพระเนียนในวัดเล้นี่ให้ก็ไปในป่านี่เห็นงูตัวหนึ่งขนาดขวดนี่นะออกม า, านีจะมีใจตื่นเต้นเนี่ยไปเห็นคนคนเดียวเนี่ยจะวิ่งออกมาแมง้งูตัวนี่มันใหญ่เหลือเกินขนาดไหนขนาดขวดเนี่ยไม่เอาหรอกขนันขวดเนี่ยมันเล็กไปไอตัวไม้ขนาดนี้ยังเล็กไปเท่าไหร่นู่โนโทรขนาดนี้ยนะ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 คุณอย่าไปไวรินไม่พุ่งอีกไปรับรองไปเด็ดขาดเลยอย่างนี้เป็นโทนเป็นคําพูดของคนงูนี่รู้ไหมว่าสภาพทจะมันเป็นอนาคตนะรู้ไหมว่าไอ้พรุ่งนี้เราจะไปไวรินเนี่ยความตั้งใจเดียวเนี้ยมันไม่มีอะไรนอกจากไปได้อย่างนี้ไอ้พรุ่งนี้บางทีตกต้นไม้สักขามัน รือมันปวดท้องนะไปไม่ไหวยังไงทำไงอย่านั้นพระพุทธทองค์ท่านยังสอนมาเรื่องไม่แน่นี่เป็นทําที่แน่เนี่ยมันไปกันได้อย่างนั้นนะท่านพูดว่าไม่แน่นี่แหละคือมันแน่เนี่ยลองลองลองดูสิไม่แน่นี่คือท่านรับรองแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้น สบายใจพูดทุกทีพูดทุกคําถูกทุกคําำวองทีเมื่อ <laughs> อะไรแต่พวกนี้ตั้งใจกลับบ้านไม่ไมแมน่ถูกไปก็ถูกไม่ไปก็ถูกนี่ไม่ไปเลยพวกนี้ไม่ไปน้อยถูกน้อยหรือไปพวกนี้แน่นอนเนีย่ยถูกน้อย มันมีผิดมีถูกท่าเรียกว่าอันนี้มันไม่แน่ละโยมเนี่ยถูกทั้งนั้นจะไปมันก็ถูกจะอยู่มันก็ถูกจะไม่ไปมันก็ถูกทั้งนั้นในเรื่องมันถูกมันถูกอย่างนั้นนี่เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอินรทรีสังวรสังรวมิีสีหกตาของเจ้าหมูปีนกาย ไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรถพุถะปารูธรํารวมในใจโพชเนมะันยูตารู้จักประมาณในการบริโภคหารแอ่กวนชาคริยาโดยโยกประกอบด้วยความเพียรไมห็นเจนนอนมากนะเป็นอัรณกะปฏิปช า, าข้อปฏิวัติไม่ผิดเอ็นซีสังวรสังรวม ตาก็สังรวมหูวกาสังนวมสระดูจมูก็กาสังรว ม, ส, ส, มสังรวมดว ม, ดว ม, มดทุกอย่างคือการเรามีเรามีสติอยู่นั่นเองใช่โพชเนีมาตันยุตตารู้จักประมาณในการมริโภกันนี้ก็ถูกชาคณิยานุโยกประกอบโลยความเพียนไม่เห็นไม่เห็นนอนมากนักอ่านดูสิ อปปนกาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดอันนี้มาใจธรรมะคนธรรมดาแล้วนี่พูดมันถูกละเรื่องที่คนแต่งขึ้นมาเราก็รู้จักอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันเป็นเรื่องหลุดออกมาจากพระอริยะบุคคลซึ่งไม่มีจริตดแผดเผาแล้วอ่ะอปปนากาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดนั่ย อินทรีสังวรสังรวมอินทรีหกคือตาหูจมูกรีดกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรสปถาโรธรรมรมุ่งใจสังรวมอยู่ตรงนั้นไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินดียินร้ายหมายถึงว่ามันก็ต้องยินดีมันก็ต้องยินร้ายแต่ท่านบอกไม่ให้ยินดียินร้าย มันยินดีมันยินร้ายเอาอารมณ์จั้งสองนี่มาประกบกันเข้ามาพิจารณาจนมันถอนอุปทานออกว่าอันนี้อย่าพึ่งกลับไปจับต้องมันเลยถ้าเรายินดียินร้ายอยู่ยังไม่ถูกเราออกมาพิจารณาจนเห็นอารมณ์มันนี้เห็นรูปเห็นเสียงกิ่นรถอันนี้ว่าจนว่าไม่ยินดียินร้ายนี่ไอคนธรรมดาเราเบื้องแรกมันก็ต้องยินดียินร้าย ยินดีนั่นมันก็เป็นกิเลสยินร้ายก็เป็นกิเลสยินดียินร้ายเป็นอุปทานทั้งนั้นท่านยังไม่ให้ยินดียินร้ายแต่ในปัจจุบันนั้นเราไปเห็นเข้าไปเมื่อก็ยินดียินร้ายทำไมเพราะเรายังไม่ฝึกจิตของเราแล้วก็คิดอุกฤษไม่ให้ยินดียินร้ายทำไมมันยินดีเนี่ยก็คือมันไม่รู้จักโทษอันนั้นตตามความจริงมันก็ยินดี ไม่รู้จักโทษอันนั้นตามความเป็นจริงมันก็ยินลายนี่มิฉะนั้ น, นการจงให้สังอรสังรวมปฏิบัติเอาดีเอาร้ายมาประครบกันเข้าไปแต่หายิจนาให้ว่างถ้ามีดีมีร้ายก็มีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ไม่มีดีมีร้ายก็เรียกว่ามันหมด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 คุยกันอย่างนั้นก่อคุยกับเขาก็ทํามานั่นก่อนทำกันแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวบวชต่างหลายพรรษาก่อนไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่มีปฏิบตัติเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนคนคนเดียวเนะ่ะคข่ค า, ายเนี่ยมันไม่มีกระดูกระหวา่างนั้นมีแต่เนื้อทั้งนั้นนถ้าเรารู้จากการปฏิบัติแล้วนะ่ะจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันธอมีแต่เนื้อทั้งนั้นไม่มีกระดูกอะไม่มีทิ้ง จะอยู่ในกลุ่มชนหมู่มากหรือกลุ่มชนหมู่น้อยมันไม่มีกระดูกก็ไม่มีแต่เนื้อทั้งนั้นรู้จักถึงนันทรลุไม่ติดอยู่ได้ไม่มีนี่คือเรานักนัจะวิ่งตามมันต้องหยุดจุดโดยวิธีอันนี้เรามีสติอยู่เช่นว่าเราบวชใหม่เป็นต้น บวชมาใหม่ๆไม่รู้เรื่องรู้แต่อยากปฏิบัติอยากจะไปใครชวนไปไหนก็อยากจะไปทั้งนั้นพระมาจากที่ไหนก็ไปก็ฉันเทอก็อยากจะไปไปทั้งนั้นน่ยไม่รู้เรื่องไปเสียหายมากไอ้เด็คนชวนไปก็เหมือนอารมณ์ชวนเราไป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 มันสบายโดยกัรได้าได้มิตรที่สบายปฏิบัติเหมือนกันเนื้อมันมีติดเพี้ยนกันกับเล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันทำเหมือนกันอาหารก็เรียกว่ามันพอไปเราไม่ต้องเกี่ยวมันอาหารนั่นอ่ะอย่างวัดประพง์เราเนี่ยมันพอละมีแต่เรามันเขียมันออกไว้มันจะมาทับเรา รูกจักอาหารไปที่มันน้อยก็น้อยอยู่อย่างนั้นไปเที่ยมันมากมันก็น้อยอย่างนั้นจิตใจของเราเงี้ยมันไม่เพลินไอที่มันที่เขาไม่เพลินมันก็มันก็อยู่อย่างนั้นที่เขาเพลินมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่วิ่งยอยู่ใกล้ครูบ า, าอาจารย์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 ท่านปฏิบัติแล้ก็พูดเรื่องปฏิบัติแล้วก็สังเกตเหตุการณ์ด้ของเราไปาฉะนั้นสมัยก่อนผมก็คิดว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างใ 5, ารหพรรษานี่เดี๋ยวนี้ทนไม่ไหวแล้วไม่ต้องอยู่ไม่ไปก็ไปหรือไม่อยู่ก็ไปอะไรมันวุ่นวายเพราะกิริยาที่จะไปก็ต้องมีพี่เลี้ยงแต่มมบอห้ไปกับพระองค์นี้ทาองค์นั้นอย่างไร เมื่อท่านเห็นเหมาะสมแล้วท่านก็ฝากไปให้รักษาปกครองถ้าท่านไม่เห็นศมแล้วก็ไม่เอะอย่างพระมาตั้งแต่ไกลไม่รู้มาจากที่ไหนเขาอยากจะไปเพหลวงพ่อผมไปกับท่านนะถ้า mm. แต่ก็นั่งอยู่ทําไงนะไปก็ไปนี่ก็ไปกันนี่ mm. ไปแล้วกลับมาจะหมดไม่มีเหลือแล้ว เสียขอวัดปฏิบัติทึงอยู่กับท่านเธอนานๆถึก3ามปีสี่ปี5ปีต่าอยากเคลื่อนไปตรงนั้นทําไปตรงนี้อย่างอาจารย์ยนเห็นไมอาจารย์ยนอาจารย์ยันเห็นปีนี้ท่านลา ว, วิเวกท่านจะไปองค์เดียวท่านใครขอไปอ่ะขอเถอะปีนี้ขอไปองค์เดียว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 ใครพูดตรงนั้นก็ไปคุยตรงนี้ก็ไปตรงนั้นเนะ่ยวุ่นวายวันนี้ก็หมดวันแต่คืนก็หมดคืนไว้ไม่ได้เรื่องอะไรตกลงอยู่เฉยๆไม่เฉยใช่ด้วยอืมเป็นโทษต้องเป็นคนให้มีใจพูดมากกว่าปากลองลองดูก็นนะปัญญาจะเกิดเราจะพึ่งไปสรรเสริญจะพึ่งไปนินทาคนคนนั้น เรื่องของสิ่งนั้นจะฝืงไปดูถูกจะฝ่งไปชั้นเชินให้ดูดูให้เราดูดูแระพิจรารณาแม้อันนั้นมันดีหลือเกินอ น, นั้นมันไม่ดีมันไม่ดีหรือเกินไอจิตที่ร้องหลงมันจะบอกมาอย่างนั้นเราเนื่องถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเราประทัอันนี้ไม่แน่นจ่าแม่ละ เห็นลูกสวยมาเมยมันสวยเยอะเกินให้มันสวยไปซะก่อนเถอะเมื่อมันย้อนกลับมาเร็วนี้มันไม่แน่เคราะมันเท่านี้เอออืันนี้ผมเกลียดเรื่อเกินเราเกลียดเรื่องเกินจิตใจมันเห็นอย่างนั้นก็ให้มันเป็นไปก่อนเมื่อเราตั้างใจขนอันนี้มันไม่แน่สัพมันเท่านี้เนี่ยลองลองดูเถิดมันต้งภาวนามากแล้วมันถอยถึงนั้นน่ะ มันจะเห็นผลมาจากเรื่อง น, นั้นมแน่อไอเรื่องคนๆนะ่ะมันจะมีเรื่องราวอยู่ในใจนะอันหนึ่งอยู่นั่นนะ่ะใครๆอยู่ถ้าเราปฏิบัติมันต้องรู้จักจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเนี่ยไอคนๆหนึ่งนะ่ะมันมีจิตใจอย่างหนึ่งเนะหรือมันจะแหกข้อแหกราวอะไรต่าง ๆ, ๆเนี่ยนะเออท่านปฏิบัติจิตใจของท่านนะ ผู้ปฏิบัติทำไมจะคำนวณเท่านั้นเลยนะ